เรามาปฏิบัติหลายวันแล้วก็คงจะรู้จักแล้วก็สัมผัสกับตัวสติไม่มากก็ น, น้อยจริงๆคงจะสัมผัสมากทีเดียวแหละแต่อาจจะไม่รู้ว่าโอ้ที่นี่แหละคือสติหน้าที่ของสติอย่างหนึ่งนะก็คือการระลึกได้ ให้ลองสังเกตดูในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเรารลึกได้อะไรต่ออะไร้อยแปดเนี่ยราลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วรวมทั้งการจำได้ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของสติอย่างหนึง่งเวลาจะให้เรายอ้อนเราลึกไปถึงเหตุการณ์ในอ ด, ดีตนะ เราก็สามารถจะย้อนระลึกได้นี่แหละคืองานของสติแต่บางครั้งเนี่ยพอเราลึกไปถึงอดีตแล้วมก็โดนเรื่องราวในอดีตชักลากไปอันนั้นนะไม่ใช่สติแล้วนะอันนั้นแปลว่าสติเราอ่อนแต่ถ้าสติดีเนี่ยนะเราลึกได้ก็เราลึกในสิ่งที่ จำเป็นมีประโยชน์แล้วก็สามารถจะวางมันลงได้เพื่อที่จะได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันในการที่เราพาติดกรรมอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เป็นงานสติเหมือนกันนะสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีใจอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่แสบสาย ไม่ฟุ้งซ่านไม่ทะเลสละลายไปไหนจะพูดอีอยาคือสติเนี่เป็นสิ่งที่ช่วยกำกับจิตไว้ให้อยู่กับปัจจุบั น, นถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันล่องลอยไปไหนมาไหนนี่แสดงว่าสติอ่อนถ้าไปอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหมายถึง เวลาปัจจุบันก็ได้นะหรือหมายถึงสิ่งที่กาลังทําอยู่ในปัจจุบันก็ได้เช่นเมื่อเราสวดมนต์ใจเราโยกการสวดมนต์นะมนนะไม่ทะเลทลายไปไหนอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเพราะสติเนี่ยนะมาช่วยกํากับจิตของเราให้อยู่กับการสวดมนต์หรือขณะที่ฟังคําบรรยายเนี่ยนะถ้าฟังคําบรรยายได้ต่อเนื่องนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะสตินะ ช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ไปแส้ายออกไปเทะเลทลายที่ไหนแต่ว่ากลับมาอยู่หรือว่าจดจ่ออยู่กับเสียงหรือคำบรรยาของตัำ ม, มาอันนี้เป็นงานสำคัญของสตินะซึ่งบางทีมันก็อาจจะขัดแย้งกันเองนะระหว่างการระลึกถึงอดีตกับการที่ใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน บางคนเนี่ยนะให้ย้อนรล้ลึกนึกถึงเหตุการณ์ในดีเนี่ยย้อนถอยลังไปได้ไกลจำได้แม่นเล่าได้เป็นฉากฉากแต่ว่าพอจะให้ใจเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันโดยเพราะเวลาเรามาภาวนาเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ย ใ, ใจมันไม่ยอมอยู่นะอันนั้นเพราะว่าขาดสติ ตัวที่เรียกว่าสัมมาสตินะสัมมาสติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันคนที่คิดเก่งหรือคนที่จำแม่นนะระลึกหรือถึงอะไรได้เร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือว่าชื่อคนบางทีไม่ใช่แค่รู้ชื่อคนหรือจาชื่อคนได้จำนามสกุลได้นะจำชื่อพ่อแม่ได้ จำชื่อพี่น้องของคนนั้นคนนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติดีเหมือนกันนะแต่เป็นสติในระดับที่เรียกว่าเอาไปใช้งานในทางโลกได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใจที่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่อันนี้พราะขาดสติที่เรียกว่าสัมมาสตินะ ให้เราแยกแยกให้ดีคราวนี้เนี่ยนอกจากสติสัมมาสติแล้วเนี่ยมันยังมีสติอีกชุดหนึ่งนะที่สำคัญเหมือนกันเราเรียกว่าอนุสติอนุปแปลว่าน้อยนะแต่ที่จริงสติที่ชื่อาอานุสตินี้ก็ไม่ได้สำคัญน้อยเลยน ะ, ะสำคัญมากทีเดียวเช่น การระ ล, ลึกนึกถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะอันนี้ถ้าเราระลึกนึกถึงโดยเพราะในยามที่มีความทุกข์ความลําบากนะมันทําให้เราเกิดกําลังใจในยามที่เราท้อแท้ในความดีมันทําให้เราเกิดความตั้งมั่นในคุณธรรมระ ล, ลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางอย่างก็เป็นระลึกถึงความดีที่เคยทําในอดีตนะเช่นศีลานุสติจาคานุสตินะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุสตินะซึ่งมีทั้งหมดสิบประการสีลานุสติก็นึกถึงความดีที่เคยได้ทำในอดีตนึกถึงแล้วก็เกิดความปิติจากขานุสตินึกถึงการบริจาคทานที่เคยให้นึกถึงแล้วก็เกิดความภาคูมิใจอันนี้เป็นการระลึกถึงอดีตที่ดีงามนะถ้าไประลึกถึงอดีตที่ไม่ดีงามนะมันไม่ใช่อนุสติแล้วนะมันเป็นมิจฉาสติไปแล้วนะ รู้จักอนุสติแบบนี้บ้างอนุสติบางอย่างเนี่ยช่วยให้เราจดจอ่อหรือว่าอยู่กับปัจจุบันเช่นอนาปานาสติลมหายใจนะลมหายใจเป็นปัจจุบันนะตามลมหายใจเข้าออกกายคตาสติก็เป็นการพิจารณากายนะเช่นทาให้มีสติรู้ตัวในกายหรือเวลากายขึ้นนืนไหวก็รู้ตัวหรือบางทีกาย ขตาสติก็หมายถึงการพิจารณาให้ว่าร่างกายประกอบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามอันนี้ก็เรียกว่าการขตาสติได้เหมือนกันนะแต่ประเด็นคือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกำหนดอยู่กับปัจจุบันต่างจากศีลานุสติจารานุสตินะมันเป็นเรื่องของอดีตที่ดีงามการระลึกบางอย่างนั้นเป็นการระลึกถึงอนาคตนะนะเช่นอะไรก็คือมรณะสติ มโนสติเนี่ยนะคือการระลึกถึงความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเราทุกคนต้องตายแน่แนะมันไม่ใช่เป็นการระลึกในความหมายที่นึกถึงอดีตนะแต่เป็นการเตือนเรามากกว่าว่าข้างหน้าเราคือความตายนะที่เราทุกคนต้องประสบความตายคืออนาคตนะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการไปคิดถึงอนาคตเนี่ยมันไม่ขัดกับ หลักการเจริญสติที่ท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันเหรอไม่ขาดเลยนะแม้เราจะนึกถึงความตายในอนาคตนึกถึงความตายของเราที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าถ้าเราเราลึกถึงหรือว่าเรานึกถึงได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของปัจจุบัน อย่างเช่นมีพุทธภาษิตนะซึ่งเราอาจจะเคยได้สวดกันอยู่แต่ จ, จะไม่สังเกตนะความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอันเนี้ยประโยชน์เนี้ยหมายความว่าอะไรหมคว่าให้เราเลิกถึงความตายอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเพียรแต่วันนี้การทำความเพียรแต่วันนี้ก็คือการทาปัจจุบันให้ดีที่สุด การระลึกถึงความตายหรือมรณสตินี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เราควรพิจารณาอยู่เสมอเพราะเหตุว่า 1. เราทุกคนต้องตายและก็ตายแน่ๆด้วย 2. เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีลมหายใจนะยังมีเรื่องมีแรงยังมีกำลังวางชาก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป ใช้เวลาใช้กําลังวังชานะให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เสียแต่วันนี้นั่นก็คือทำให้เราไม่ประมาทนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราพิจารณามารณสติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับชีวิตหมายความว่าชีวิตเราต้องมีจุดจบไม่ประมาทกับอายุเพราะว่าอายุของเรา อาจจะขาดสะบั้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ประมาทกับกำลังวังชาเพราะว่ากำลังวังชาเราจะหมดถดถอยไม่ประมาทกับความเป็นหนุ่มสาวเพราะว่าเร า, า จ, จ ะ, ะไม่มีโอกาสนะได้ครองความหนุ่มสาวไปได้ยืนยาวจนกระทั่งแก่ เมื่อไม่ประมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะเร่งมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยทําความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือทําความดีนะแล้วก็ฝึกใจให้มีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้ไม่ใช่ความเมตตาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเดียวนะ แต่รวมถึงการรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือไม่ได้ฝึกการปล่อยวางใช้แต่วันนี้เมื่อถึงคราที่เราต้องตายซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะกระทัน n ันก็ได้ถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางนะเราก็คงตายไม่สงบ เวลาพูดถึงความตายใครก็อยากตายดีและตายดีเนี่ยในทางพุทธศ า, าสนา น, นี่ก็หมายถึงตายสงบแต่เราจะตายอย่างสงบได้อย่างไรนะถ้าใจเราเนี่ยยังมีห่วงยังมีความอาลัยยังมีความยึดติดไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สมบัติหรือแม่แต่งงานการ งานการในที่นี้อาจจะไม่ใช่งานทำมาหากินอาจจะเป็นงานที่เป็นงานบุญงานกุศลก็ได้นะนะเช่นทอดผ้าป่าทอดกระถินเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าจูจๆก็เวะลาะสุดท้ายก็มาถึงกระทันหันนะจะเป็นเพราะอุปัติเหตุจะเป็นเพราะโรคร้ายก็ตาม มันถ้าไม่รู้จักไปลายไม่รู้จักวางนี่ก็อาจจทำให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายก่อนตายแล้วถึงเวลาตายก็อาจจะไปอาบายเลยก็ได้นะเพราะว่าจิตไม่เป็นกุศลมันมีคุณลุงคนหนึ่งหน้าที่เป็นเจ้ากีเจ้าการชอบพาคนไป ทอดกะถินทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามวัดในชนบทนะที่ธุรกันดาน่นะวัดในเมืองมีเยอะแล้วไม่ต้องไปทำบุญมากก็ได้ท่านก็เลือกเจาะจงไปทำบุญวัดในชนบทชักชวนพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานนะไปทำบุญทอดกะถินทอดผ้าป่าแล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองเป็นโรคราย และมันก็มาเร็วมากนะร่างกายสุดจนกระทั่งเข้าถึงระยะสุดท้ายตอนที่เริ่มจะไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยนะก็มีอาการกระสับกระส่ายลูกหลานคิดว่าผู้ป่วยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะถ้าได้ฟังเทพธรรมะพระสดมนต์ก็คงจะใจสงบแต่ที่ไหนได้นะไม่มีผลเลย ก็แปลกใจจนกระทั่งมีเพื่อนสนิทของผู้ป่วยมาหาพอรู้ว่เกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดที่ข้างเตียมงมาพูดกคนป่วยว่าโบที่ยังสร้างไม่เสร็จนะันไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยเราสร้างให้เสร็จพอที่ได้ยินเท่านี้สงบเลยแปลว่าคำพูดเนี่ยโดนใจหมายความว่าผู้ป่วยเนี่ยคงจะมีความทุกข์ มีความกลุ้มใจเพราะว่าห่วงงานนะห่วงงานผ้าป่างานทอดกรถิน่นนะบทอย่างสร้างไม่เสร็จอาจจะเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จก็ตายไม่ได้คนที่ลั่นวาจาไว้แบบนี้ก็ต้องระวังนะเพราะเกิดว่าพอจะตายขึ้นมามไม่ยอมตายนะต่อสู้ขัดขืนความตายก็เลยมีอาการทุรนทุรายแต่การพูดของเพื่อนก็ทําให้ปล่อยวางได้ เมือนก็ยกผูกเขาจับอกแต่คนเราบางทีก็ไม่มีโชคนะไม่มีใครที่จะมาพูดนำให้ปล่อยวางได้ถ้าเกิดเราจะต้องตายคนเดียวหรือว่าตายท่ามกลางคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรถึงตอนหน้าเราต้องรู้จักปล่อยวางนะมันจะได้ไม่ทุรนทุรายลองคิดเรื่องพวกนี้ไปบ้างนะเรื่องความตายของเราเนี่ยหรือว่าเจริญมรณะสติ่้าไม่ร้ราไม่ประมาท ก, กับชีวิต และมัทำให้เราเนี่ยรู้จักจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องความสำคัญในเช่องคนเราคืออะไรนะอันแรกก็จะได้แก่การทําความดีการสร้างบุญสร้างกุศลอันที่2ก็จะได้แก่การดูแลใจใสครอบครัวนะอันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํามาหากินนะแต่บางคนเนี่ย ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำหากินเป็ น, นลำดับแรกเรื่องการหาเงินหาทองเมื่อสักประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยมีมีพิธีกรคนหนึ่งจบจากอเมริกาหน้าตาก็ดีเป็นด็อกเตอร์แล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จ ได้รับความนิยมในการเป็นพิธีกรรายการที่มีชื่อไม่ใช่รายการแบบสนุกสนานเรื่นเริงนะแต่เป็นรายการที่มีสาระแล้วก็งานเข้าเยอะแกก็ทำงานทำงานเรียกว่าเต็มที่เลยขยันมากพิธีกรคนนี้แกก็ตังเปาวาเนี่ยจะขอทำงานสัก20ปีจะทุ่มทำงานเต็มที่เลยนะ เพื่อจะได้มีเงินเนี่ยให้กับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวบอกว่าเนี่ยพออยู่50แล้วเนี่ยก็จะได้จะได้เพ่างานแล้วจะได้มีอะไรกับครอบครัวตอนนี้เรื่องครอบครัวไวเอาไว้ก่อนนะขอทำงานเต็มที่ปรากฏว่าทำไปได้แค่10ปีเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ไอ้เงินที่มีมันก็ไม่ช่วยให้รักษาให้หายได้ แล้วก็ไม่ได้ต่ออายุยืดอายุเท่าไหร่เลยเป็นมะเร็งได้สักสามสี่ปีตอนที่เข้าสู่ริยสุดท้ายเนี่ยแกก็พูดในทํานองเสียใจนะว่าเสียใจที่เอาเวลาทุ่มเทไปกับเรื่องของการทำมาหากินเรื่องการทำงานไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับครอบครัว ไอที่ตั้งใจ ว, ว่าจะทำยี่สิปีแล้วจะได้มาดูแลครอบครัวรคือลูกพื่ยังเล็กเนี่ยทำไม่ได้ละแถมไอ ง, งานที่ตั้งใจว่าจะทำยี่สิปีก็ทำได้แค่สิปีแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีถ้าสามารถยืดเวลายืดอายุได้จะขอใช้เวลาที่เหลือเนี่ยสาหรับลูกสำหรับภรรยาแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่า เป็นความผิดพลาดนะในชีวิตของพิธีกรท่านนี้ซึ่งก็เป็นคนดีนะแต่ว่าจะเรียกว่าประมาทความตายก็ได้ในคิดว่าฉันกว่าจะตายคงจะ 60-80 นะนะขอทำงานจนถึง50ก็แล้วกันนะปรากฏว่าความตายมันไม่คอยท่าอายุแค่สี่40มันก็มากระชากชีวิตออกไปนะบางทีเราต้อง คนราแม้จะจําเป็นนะต้องทำมาหากินนะแต่บางทีก็ต้องเผื่อแผน2ไว้บ้างนะเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนในวงการธุรกิจเนี่ยนะก็จังมีแผน A แผน B เลยนะถ้าเศรษฐกิจเป็นถ้าเศรษฐกิจโตก็ใช้แผน A ถ้าเศรษฐกิจมันตกก็ใช้แผน B เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะชีวเราก็เหมือนกันนะมันไม่แน่นอนนะว่าเราจะมีอายุยืนยาวแค่ไหนอายุ30อสิบจคิดว่าจะอยู่ได้จนถึง70 นะอายุ50ก็จะคิดว่าเราจะอยู่ได้ถึง80ดนสะินั้นแม้ว่าเราจะาวางแผนชีวิตยังไงเอาไว้ก็เผื่อให้กับความไม่เที่ยงบ้างหรือว่าถ้าดีก็จะระดับความสำคัญที่สำคัญเอาไว้ก่อนเช่นในขณะที่เราทำมาหากินแล้วก็มีเวลาให้กับพ่อแม่มีเวลากับลูกไม่ใช่ทุ่มเทไปกับงานการด้วยความหวังว่าอีก20ปีข้างหน้าเราจะค่อยมีเวลามา ให้กับครอบครัวอันนี้เป็นความประมาทนะเพราะว่าเราแน่ใจแดงหล้วว่าเราจะอยู่จนถึง50หรือว่ายังมีชีวิตอีก2ีปีข้างหน้าใ น, น, นการเรารึกถึงความตายเสมอเนี่ยมันทําให้เรานะจัดลำดับความสําคัญของชีวิตได้อย่างถูกต้องว่าอะไรสาคัญก่อนก็ทําก่อนอะไรสําคัญมากก็ทําก่อนอะไรสําคัญลองลงมาก็ก็ทกาทเหมือนกันแต่ว่าทาลองๆไป ก า, ก, าการเดือดรุงกเรื่องถึงความตายเนี่ยนะถ้าเราใช้เป็นนะมันช่วยทําให้เราอย่างที่บอกนะปล่อยวางได้ง่ายความทุกข์ทั้งหลายที่มันทําให้เราเศร้าโศกเสียใจทําให้เราโกรธแค้นนะทำให้เราวิตกกังวลมันจะเล็กลงไปเลยนะเมื่อเรานึกถึงความตายของเราม่ซึ่งไม่ว่าจะเมื่อไหร่หลายคนทํางานประสบอุปสรรคก็ฉุนเฉียวนอนไม่หลับ บางคน อ, อกหักก็กลุ้ม อ, อกกุ้มใจบางคนนะถูกเพื่อนวิพากวิจารณก็เขืองแค้นบางคนเงินหายนะก็กุ้ม อ, อกกุ้มใจแต่พอลองนึกถึงความตายขึ้นมานะไม่ใช่ความตายของใครนะความตายของเรามันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยไอ้ที่กุ้มใจมันจะกลายเป็นเรื่องจิตใจไปเลยซึ่งทําให้เราปล่อยวางได้ง่าย คนเราเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราเจ้าเสือเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแต่ว่านั่นเป็นเพราะเรายังไม่ได้มองให้ถีท่วนนะเพราะถ้าเราลองชำเลืองมองความตายของเราบ้างไอปัญหาต่างาจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปในบัดดลเลยขนาดสตีฟจอร์เนี่ยนะสตีฟจอร์เนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่ในสายตาของเราก็เป็นคนที่บูงความสำเร็จทางโลกมากนะแต่เขาเคยพูดไว้เลยนะตอนที่เขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ย เขาบอกว่าไอ้ความเทอทยานนะความกลัวหน้าแตกความกลัวล้มเหลวพวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าปรารสนาการไปเลยเมื่อนึกถึงความตายของตัวฉนะั้นการนึกถึงความตายเนี่ยมันมั น, ม, นมันช่วยให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช้เวลาอย่างมีประโยชน์นะ ไม่สู์เปล่าสามารถจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ยังช่วยทำให้เราเนี่ยนะทุกน้อยลงเพราะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะการดื้อความตายทำให้เราปล่อยวางได้ในอีกลักษณะหนึ่งอีกเหตอีกเหตุนหนผนึงก็ได้นะเช่นถ้าเกิดว่าเงินหายโทรศัพท์หายนะหรือว่าเงินถูกโกงโอ้กุ้มกุ้มใจมาก ลองมาคิดแบบนี้สักบางวันเนี่ยขนาดแค่นี้เรายังไม่ผ่านเลยแล้วถึงเวลาตายเราจะผ่านได้ยังไงเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราตายเนี่ยมีหนึ่งล้านก็หมด1ล้านมี20 000, ล้านก็หมด20ิบล้านนะมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านนะมีอะไรก็จะหมดไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่ากิจยศชื่อเสียง ก็ขนาดแค่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นยังทําใจไม่ได้แล้วถึงเวลาที่ต้องสูญเสียพัดพรากจากสิ่งต่างๆมากมายทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่มีเนี่ยแล้วเราจะทําใจได้ยังไงพอคิดแบบนี้เข้าเราจะพบว่าอ๋อไอเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะไปรับมือไปทําใจรับมือความตายได้ในวันข้างหน้า มันเป็นเครื่องเตือนเราว่าถ้าเราไม่ผ่านแค่นี้ไม่ผ่านถึงเวลาตายนี่เราจะผ่านได้ยังไงเราจะตายสงบได้ยังไงนะลองคิดแบบนี้ไว้บ้างนะมาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านเหตุร้ายต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตไนดะ้ไปได้อย่างสะดวกราบรื่นพอสมควรที่จริงเนี่ยชีวิตของเราทั้งหมดนี่นะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีไปเพื่อ เพื่อไปตัดสินนะกันในวันสุดท้ายของชีวิตมันเหมือนกับเราเรียนหนังสือมาทั้งปีอะนะเสร็จแล้วก็ไปตัดสินกันในวันสอบนะไอ้วันสอบเนี่ยเป็นเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องวัดผลเป็นเครื่องวัดว่าเราเรียนมาทั้งปีเนี่ยเราได้วิชาความรู้แค่ไหนเราตั้งใจเรียนไหมนอกจากความรู้ในทางโลกเนี่ยนะที่เราเรียก ว, วิชา ชีวแล้วเนี่ยเรายังมีอีกวิชานึงนะที่ไม่รู้ว่าได้เรียนกันบ้างหรือเปล่าแต่มันมีอยู่คือวิชาชีวิตนะชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยนะมันมีขึ้นเพื่อที่จะได้ไปวัดผลกันในวันสุดท้ายคือวันตายไอการตายของเราเนี่ยมันจะจะว่าไปเหมือนกับเป็นการสอบไล่ของวิชาชีวิต วิชาทุกวิชาต้องมีการสอบไล่นะีวิชาชีวิตก็เช่นเดียวกันนะเรามีชีวิตมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเจีได้นะไปวัดผลกันตอนนั้นมีคราหนึ่งหลวงปู่ดูลณ์เนี่ยท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่กำลังป่วยหนักนะและท่านก็หลวงปู่ดูลปกติท่านก็ไม่ค่อยพูดมากนะท่านก็พูดเตือนสติพระรูปที่กำลังป่วยว่า แต่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราเนี่ยนะมันก็เพื่อวันนี้แหละก็เพื่อตอนตอนที่จะตายนี่แหละคือไปวัดกันนะว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติจริงหรือเปล่านะถ้าปฏิบัติไม่จริงมันก็ตายแบบทรมานถ้าปฏิบัติดีมันก็ตายดีแต่ที่จริงเนี่ยจะพูดว่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราก็เพื่อตอนนี้ก็ อาจจะยังแคบไปนะต้องเรียกว่าชีวิตทั้งหมดชี่ของเราเนี่ยนะการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดนี่ก็เพื่อวันนี้แหละวันที่เราจะต้องละโลนี้ไปวันที่เราจะต้องสอบไล่สอบไล่ของวิชาชีวิตนี่มันสอบไล่จริงๆนะก็คือถ้าสอบตกก็ตกจริงๆนะคือตกอบายเลยไอสอบไล่วิชาทางโลกวิชาที่เรียนในโรงเรียนเนี่ย มันไม่ได้ไล่จริงนะมันไม่ได้ตกจริงคือแค่ซ้ำชั้นนะอย่างมากก็ซ้ำชั้นนะแต่วิชาชีวิตนี่สอบไล่นี่ตกจริงๆนะอบายเดิมพันมันสูงมากนะสอบไล่วิชาชีวิตแล้วมันแก้ตัวไม่ได้นะสอบไล่วิชาต่างๆในโรงเรียนหมหายเทยไลยหรือแม้แต่สอบสัมภาษณ์สอบ Ent ทร n น e สอบไม่ได้แก้ตัวใหม่ได้นะ แต่สอบรายวิชาชีวิตนี่แก้ตัวไม่ได้มีครั้งเดียวฉะนั้นเดิมพันมันสูงมากนะแต่ถ้าสอบได้นี่ก็ก็ขึ้นนะไปสุปกติสอบรายวิชาต่างๆเนี่ยเขามีการประกาศล่วงหน้านะสอบเอนทรานซสอบสัมภาษณ์นี่ประกาศล่วงหน้าทั้งนั้นแหละบอกเราล่วงหน้าเป็นบางทีเป็นเดือนเลยนะแต่สอบรายวิชาชีวิตนี่ไม่มีการประกาศล่วงหน้านะมันมาปรับมากเลย ก็แปล์นะเวลาจะสอบไลน์นะไม่ว่าจะสอบวิชาอะไรนะสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานสอบเอนทรานสเราเตรียมกันเต็มที่เลยนะเราเตรียมกันเป็นเดือนเลยสอบสัมภาษณ์นี่สอบเอนทรานสนี่เตรียมกัน 3- 4ปีอาจจะเตรียมตั้งแต่สมัยเป็นอนุบาลด้วยซ้ำเราเตรียมตั้งแเป็นอนุบาลเลยนะเพื่อจะสอบ Ent ทรานสเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานแล้วก็เตรียมนะ เรเตรียมกันเป็นอาทิตย์นะสอบสมัครตำรวจนี่โอก็เตรียมกันนะเป็นเดือนแต่สอบรื่ยวิชาชีวิตนี่แปลกนะทั้งที่เดิมพันสูงนะแล้วก็ไม่มีประกาศล่วงหน้านะคนไม่ค่อยเตรียมนะคนไม่ค่อยเตรียมกันเลยนะแล้วไม่มีการสอนด้วยไม่มีการสอนในโรงเรียนในมหาวทยาลัยเรียกว่าไปวัดดวงกันข้างหน้าอันนี้แปลว่าอะไรแปลประมาทมาก เป็นการจัดระดับความสำคัญที่ผิดพลาดมากนะสอบ entrance สอบไม่ได้ก็ไม่ถึงกับแย่แถมสอบมีโอกาสสอบแก้ตัวแต่เราก็ยังเตรียมกันเป็นปีแต่การเตรียมตัวเพื่อจะสอบไล่ในวิชาชีวิตคือเตรียมตัวตายเนี่ยไม่ค่อยมีใครเตรียมกันเท่าไหร่ประมาทมากนะอาจจะเป็นเพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวก็ได้หรือคิดว่าเอ้ยเดี๋ยว ก็คงผ่านไปได้หรือเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งที่มั น, มนดึงดูดความความสนใจของเรามันมีอะไรต่ออะไรดึงดูดความสนใจของเราหรือว่าทําให้เราเนี่ยไปหมกบุ่นอยู่กับสิ่งอื่นมากจนลืมไปว่าเราต้องตายบางทีเราไปจมอยู่กับปัญหาต่างๆมากมายแล้วพอจมแล้วก็คิดว่าปัญหานั้นสำคัญไม่มีนมักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันคนนึงนะ ชื่ออาร์ตบุกวอลเนี่ยเป็นพวกที่เป็นนักเขียนทำนองเศษ ส, สีแกเป็นคนนิวยอร์กแกพูด ป, ประโยคนึงนะไม่รู้ว่าพูดมาเพราะว่าสะท้อนถึงความคิดของแกหรือเพราะต้องการเศษ ส, สีนะคน New York นะิวยอร์กแลบอกตายอะไม่ยากหาที่จอดรถในนิวยอร์กนี่ยากกว่านะคนนิวยอร์กคิดแบบนี้แหละเอ้ยตายนี่ง่ายนะหาที่จอดรถในนิวยอร์กมันยาก เพราะนนเนี่ยช่างชีวิตหรือว่าทั้งวันก็คิดแต่เรื่องการหาที่จอดรถอันนี้ก็เป็นความประมาทดะงน้นเนี่ยถ้าเราไม่เจริญรนนัสตินะเราก็จะประมาทไปเรื่อยๆเวลาที่มีอยู่ก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยปราบ ป, ประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หรือแม้ก็หรือไม่เช น, นั้นก็ไม่ได้ฝึกที่จะเตรียมตัวเพื่อใช้เช่องเราให้ดีและเพื่อที่จะเตรียมตัวเผชิญกับาวาระสุดท้าย ได้อย่างสงบนะเพราะนั่นเนี่ยการจดมราณาสติหรือมราณานุสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรควรควรทาควรระ ล, ลึกถึงอยู่เสมอแล้วมันจะช่วยทำให้เราเห็นความสำคัญการภาวนาภาวนาที่เราคึกว่าโอมันน่าเบือ่อนะมันจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะ ผ่านธรณีหรือประตรูแห่งความตายไปได้นะได้อย่างสบายอย่างสงบนะถ้าเป็นการสอบก็สอบผ่านได้อย่างฉุยอ่อยายนิเพวเท่านี้นะกราบพะ